ทีนี้เข้ามาขึ้นปัญหาในชาดกบ้างปัญหาเกี่ยวกับชาดกรุขะเจตนาภาวะปัญหาพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้าพระตถาคตทรงพาสิทธิ์ข้อความนี้ไว้ในชาดกว่าดูก่อนพรามเพราะเหตุไรเนาอเธอผู้ปรารบความเพียรไม่ประมาทอยู่เป็นนิดรู้อยู่ก็ยังถ า, ถามถึงการอยู่เป็นุกต้นไม้ที่หาเจตนามิได้ ฟังไม่ได้ไม่รู้อยู่แล่าเนี่ยนะทําไมไปพูดคุยกับต้นไม้ทั้งๆ ท, ท, ที่มันก็ไม่ได้พูดคุยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรและอีกที่หนึ่งนะในผันธนะชาดกพระองค์ก็ยังตรัสว่าดูก่อนภาระตวะชะแม้ว่าเราจะมีคําตอบอยู่แต่ขอท่านจงถามต้นสครออย่างนี้ดูก่อนเถิดแล้วจึงค่อยฟังเราไปถามต้นไม้ดูก่อนแลค่อยมาคุยกันว่างั้นเอ๊มันขัดกันยังไงอีกสูตรอีกชาดกเรื่องหนึ่งว่าว่าเอ้า ก็รู้อยู่ว่าต้นไม้มันไม่มีเจตนาไปคุยกับมันไปรู้เรื่องได้ยังไงอีกชาดกเรื่องหนึ่งบอกให้ไปถามต้นสครอกก่อนแล้วค่อยมาถามเราเอ้มจะเอาไงกันแน่พระคุณเจ้านากเกษนถ้าหากว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาจริง้ายถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าต้นสครอได้พูดจากกับพรามพารทวาชะดังนี้ก็ย่อมเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าต้นสครอพูดจากับพรามพารทธวาชะจิงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาดังนี้ก็ย่อมเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนะนะปัญหาแม้นี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเพราะเขาเชื่อว่าคือรัที่ของพระเจ้ามิลินลึกๆอันหนึ่งเชื่อว่าต้นไม้มีเจตนา เขาเชื่อว่าต้นไม้นี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเจตนาเขาเชื่อว่าต้นไม้มีชีวะชนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ย พ, พระพิสุตัดต้นไม้เพื่อทํากุฏิเป็นต้นเนี่ยนะชาวบ้านเขาโผนธนาว่าเอา่อทำไมพระคุณเจ้าไปทําลายชีวะชนิดหนึ่งเราเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ให้ตัดต้นไม้เนี่ยอ่าด้วยเหตุผลคือด้วยอํานาจประโยชน์10ประการะนะเพื่อด้วยอํานาจประโยชน์10ประการที่ไม่ใช่บัญญัติไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะต้นไม้มีเจตนา แต่ด้วยเหตุผลอย่างอื่นเนี่ยนะแลวก็ในสมัยนั้นเขามีความเชื่อว่าต้นไม้เป็นชีวะชนิดหนึ่งเป็นชีวิตชนิดหนึ่งทีนี้ปัญหาก็ยังมีอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าต้นไม้พูดได้คำที่บอกว่าต้นไม้ไม่มีเจตนาก็ไม่ถูกถ้าบอกว่าต้นไม้ไม่มีเจตนาคาที่บอกว่าต้นไม้พูดก็ไม่ถูก พระนาคเษนก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาดังนี้จริงและที่ตรัสอีกว่าต้นไม้ได้พูดจากับพราหมณ์ภารัตวาชนั้นนะ่ะเป็นอันตรัดตรัสไปตามโวหารของชาวโลกเป็นโลกโวหารเป็นคําพูดตามชาวโลกเขาขอถวายพระพ ร, พรขึ้นชื่อว่าต้นไม้ซึ่งหาเจตนามิได้ย่อมหาการพูดจาไมิได้ คำว่าต้นไม้นี้เนี่ยนะที่บอกว่าต้นไม้พูดได้นะนนะหมาหมายถึงชื่อของเป็นชื่อเรียกเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้นี้เนี่ยนะนะอย่างเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายตามต้นไม้บางอย่างนะที่มาสิงสถิตเนี่ยนะบอกขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าชนทั้งหลายย่อมเรียกเกวียนที่เต็มไปด้วยข้าวว่าเกวียนข้าวความจริงเกวียนที่ทําด้วยต้นข้าวไม่มีรกัก แต่เกวียนที่ทำด้วยไม้แต่ในเพราะเกวียนข้างในเกวียนเนี่ยบรรทุกข้าวมีข้าวอยู่เกลื่อนกล่นชนทั้งหลายก็เลยเรียกว่าเกวียนข้าวฉันใดขอถวายพระพรต้นไม้พูดจามไม่ได้หรอกต้นไม้ไม่มีเจตนาแต่ว่าที่ต้นไม้นั้นมีเทวดาต้นใดตัวหนึ่งสิงสถิตยอยู่ก็ย่อมมีชื่อเรียกเทวดาต้นนั้นว่าเทวดาต้นไม้นะเรียกว่าต้นไม้ฉะนั้นเหมือนกันเรียกโดยโลกะโบหาร อบ้านนั้นเขาว่ามาบ้านนั้นเขาว่ามาบ้านเคยได้ยินว่าบ้านพูดได้ไหมเช่นะคาชั่วทั่วไปที่เราคุยกันอนะนับ้านนั้นอ่ะเขาเขาหาว่าพวกเราเนี่ยเป็นอย่างไงกันบ้านนั้นอ่ะเคยได้ยินว่าบ้านพูดได้หรื อ, อนะแม้โต๊ะนั้นเนี่ยมันคุยกันเสียงดังจังเลยเนี่ยถ้าไปร้านอาหารโตะนั้นทำไมคุยกันเสียงดังจังเอโต๊ะคุยได้เดี๋ยห้องนู้นนะทะเลาะ ก, กันบ่อยจังเลยนะเคยได้ยินไหมห้องทะเลาะกันเนยมีไหมอันนี้เรียกว่าเป็นโลกกัลวานคําว่าต้นไม้พูดได้อะก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นคำหมายถึงเทวดาวที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้เพราะคำพูดว่าต้นไม้พูดจาได้นี้เป็นบัญญัติของชาวโลกที่เรียกว่าเป็นโลกกบูหารเป็นคำพูดที่เรียกว่าอุปจาระเนี่ยนะคำพูดที่เป็นอุปจาระนั่นเอง ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าผู้คนกําลังกวนนมส้มอยู่ก็กล่าวกันว่าเรากําลังกวนเปรียงก็สิ่งที่เขากําลังกวนอยู่ไม่ใช่เปรียงเป็นนมส้มนั่นเทียวเขากําลังกวนอยู่ก็กล่าวว่าเรากําลังกวนเปรียงฉันใดขอถวายพระพรต้นไม้พูดจาได้ไม่มีรอกต้นไม้ไม่มีเจตนาแต่ว่าที่ต้นไม้นั้นมีเทวดาตนใดตัวหนึ่งสิงสถิตอยู่ก็ย่อมมีชื่อเรียกเทวดาตนนั้นว่า ต้นไม้ฉันนั้นเหมือนกันก็คําว่าต้นไม้ผู้จานี้เป็นบทเป็นบัญญัติของชาวโลกก็อย่างเช่นอะไรนะเราหุงข้าวเอ๊ะทําไมบอกว่าทำอะไรอยู่บอกหุงข้าวเอาถ้ามันเป็นข้าวแล้วไปหุงทําไมอันนี้นี่คําพูดเนี่ยนะว่าทำอะไรอยู่บอกว่าหุงข้าวเอาถ้ามันเป็นข้าวอยู่แล้วทําไมคุณต้องไปหุงบอกว่าหุงข้าวสารให้เป็นข้าวสุกทําไมเขาไม่พูดกันอย่างนี้ คือเรียกว่าพูดโดยโวหารว่ะจริงๆอ่ะกำลังเอาเข้าวสารไปต้มเพื่อให้มันเป็นข้าวสุกเป็นข้าวต้มเป็นข้าวสวยแต่เราก็จะเรียกเอาเอาสิ่งที่มันสําเร็จแล้วนะเอาผลที่กําลังเกิดขึ้นคำคำเหล่านี้เป็นโวหารของชาวโลกเป็นคําพูดที่เป็นอุปจาระนะขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเวลาที่ผู้คนต้องการทําสิ่งที่ยังไม่มีให้สําเร็จก็ย่อมกล่าวว่าเรากําลังทําสิ่งที่มีอยู่ให้สําเร็จ คือคือกำลังทําสิ่งนั้นทั้งๆที่สิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะอย่างคนเขาบอกว่าเห็นคนเขาถากไม้บอกคุณทําอะไรกว่ากกาลังทําเกวียนอยู่พวกนั้นเอ๊ะเห็นคุณถากไม้บอกว่ากําลังทำเกวียนเห็นมีเกวียนเลยสักอันเห็นกำลังถากไอ้ต้นไม้โก้งๆเนี่ยนะหรือเอาอิดมาเรียงเกันบอกว่าทําคุณกําลังทําอะไรกําลังสร้างตึกเอ๊ะเอาอิดวางแล้วบอกว่าสร้างตึกเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่มันเสร็จก่อนอ่ะนะหมายความว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยเอาพูดที่มัน ที่สุดของสิ่งนั้นอ่ะมันคืออะไรก็เอามาพูดกันก่อนอันนี้เป็นบัญญัติของชาวโลกอันนี้ก็เหมือนกัน่นะพระเจ้าเมรินก็บอกดีจริงพระคุณเจ้าครัพระเจ้าก็ขอยอมรับตามคำพูดที่ท่านกล่าวมาชะนี้เน่นะเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ที่มีเทวดาสิงเน่ยนะเทวดาที่อาศัยอยู่เนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเลยถ้าใครอ่านพไตรปดกนั้นะกลมมะพมมเทวดารุกเทวดานี่ก็คือกลมเดียวกันนั่นเอง อย่างบางแห่งเนี่ยนะอย่างบางช่วงเนี่ยที่เชตาวันเนี่ยบางครั้งไม่เคยมีเลยแม้กระทั่งครั้งเดียวที่เทวดาแทบไม่มีต้นไหนว่างเลยเทวดานี่อาศัยกันอยู่ทุกต้นเลยอ่ะอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งไปตัดต้นไม้เข้าเทวดาก็บอกว่าห้ามอย่าเลยอย่าตัดต้นไม้นี่เลยภิกษุก็ไม่ฟังพอไม่ฟังก็ฟันต้นไม้ไปถูกแขนลูกเทวดานะก็แขนขาดเทวดาโกรธมากเลยจะกฆ่าพระภิกษุให้ได้เลย เสร็จแล้วก็เอ้ฆ่าก็เอถ้าเราฆ่านะมันก็คงไม่ดีมั้งไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังดีกว่าพงค์ก็บอกว่าทำดีแล้วที่ไม่ฆ่าพระพิสุถ้าท่านฆ่าท่านก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแล้วก็ตรัสข้อความในในโกทวะกันนะแต่แล้วตอนหลังพรงศ์ก็บัญญัติพระวินัยว่าเหตุผลสองอย่างที่เขาเชื่อว่าต้นไม้โบราณเนี่ยชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อว่าต้นไม้มีชีวะอย่างหนึ่งนี่เหตุผลนึงอีกเหตุผลหนึ่งเขาก็เชื่อว่าอื เหตุผลก็คือเทวดาอาศัยอยู่ตามต้นไม้เนี่ยนะก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยบัญญัติศิกขาบทไม่ให้พระพิโสได้ตัดต้นไม้แกเรียกว่า เ, เป็นปาจจิตีนะเพราะการถูกพรากแห่งภูตะคนนะ า, ยยตามน่ะนะต้นไม้ที่บางแห่งก็พูดว่าต้นไม้ที่เทวดาเสิ่งได้ก็คือมีมีแก่นเท่ากับเหล็กจานเนี่ยนะมีแก่นมีอะไรเท่ากับเหล็กจานเน่ย เขาคือดินสอะนะถ้ามีแก่นเท่าดินสอก็เทวดาอาศัยได้แล้วคือไม่ได้ไม้อาศัยแบบนะั้นคือมาเอาวิมานนี่ไปแปะอยู่กับต้นไม้อีกครั้งหนึ่งเขามีวิมานของเขาอ่ะนะไม่ใช่ว่าไปอยู่แบบลูกห้านฮนุมานอะไรหรอกไปพักแบบนั้นแต่หมายคือว่าไปมีวิมาน ห, หรืออาศัยอยู่ที่นั่ น, นะนะ่ะไร